สิกขาบทที่6ถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างนั่งในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุจับพัก ค, คีขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างนั่งในละแวกบ้านในสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน